ตอนเทศนาของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตแสดงเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2514ทุกครั้งที่อาตมาภาพจะเทศนั้น จะต้องขอร้องให้สาธุชนผู้เจริญทำใจให้สงบและนึกถึงพระพุทธองค์เพราะนั่นคือหลักใหญ่ที่จะตัดสินว่าสิ่งที่เราคิดเราพูดและทำนั้นถูกต้องหรือไม่นะโมตัสสะพัคควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมัะ คกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจเมื่อวันที่ส4บสกันยายนนั้นอาตมาภาพได้พูดไว้ว่าคนเราเมื่อเห็นมเมื่อได้ยินเมื่อได้สัมผัสเมื่อได้รู้ทุกคนคิดไม่เหมือนกันทั้งๆที่ได้พบเห็นสิ่งเดียวกันนี่คือข้อพิสูจน์อย่างแจ่มแจ้งว่า คนเรามีสิ่งที่อยู่ข้างในไม่เหมือนกันและเหตุไฉนจึงไม่เหมือนกันเราหมายความว่าอย่างไรการที่เราจะเชื่อเรื่องชีวิตหลังจากตายนั้นเป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยากอย่างยิ่งเราจะเอาความคิดเอาชีวิตของมนุษย์ไปเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ของคนที่ตายแล้วไม่ได้อัตมาภาพได้มามีชีวิตอยู่อย่างโอปปปาติกะ ที่ใช้วิบากของกรรมลุ้นล้วนมาเป็นเวลาศตรวรรษกว่าแล้วได้รู้และเห็นอย่างแจ่มชัดว่าชีวิตของโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตที่ทําความดีได้ยากนอกเสียจากว่าจะมีพื้นดีมาแล้วความคิดของโอปปาติกะนั้นดิ่งและหันไปทางเดียวยากที่จะเข้าใจเหตุผลสิ่งแวดล้อมแน่นอนชีวิตของโอปปาติกะนั้น เป็นชีวิตที่มีอะไรพิเศษเหนือกว่ามนุษย์มีปาฏิหารแต่ปาฏิหารนั้นจะต้องมาทีหลังมนุษย์นั้นเมื่อเชื่อเรื่องโอปปปาติกะด้วยปาฏิหารแล้วจะทำให้งมงายยิ่งขึ้นอัตมาภาพพยายามที่จะให้สาธุชนทั้งหลายอ่านกอไก่กอกาเสียก่อน ตอนที่จะผสมตัวเป็นประโยคและเข้าใจความหมายเราจะต้องค่อยๆศึกษาชีวิตของสิ่งเหล่านี้เพื่อกันความงมงายและเพื่อสันติสุขของเราเองเราไม่แน่ใจหรอกว่าเราจะตายเมื่อไรทุกคนยังสงสัยยังมองไม่เห็นยังมองไม่สว่างเลยว่าหลังจากตายแล้วนั้นชีวิตของตัวเองจะเป็นอย่างไร อัตมาภาพมามีชีวิตอย่างโอปปาติกะด้วยความเป็นห่วงโลกทุกวันนี้นาวิตกยิ่งนักไม่มีใครทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกําลังวุ่นวายจะตายเมื่อไรไม่มีใครรู้ชีวิตยังมืดมัวนักขอทุกคนอย่าอยู่เพียงพอรอตายเท่านั้นร่างกายปฏิกูลศูนย์ผลดีใดไฝ่หวังกังวลไว้เป็นเพื่อนตนยามตายแล้วฆ่าหรือตัวอัตมาภาพ จะมาผสมตัวอักษรให้ทีหลังเอวังดังที่ได้แสดงมาสิ้นสุดเทศนาเท่านี้ควรแล้วแก่เวลายุดยุติเฮยยใดชอบโปรดช่วยชี้ช่องให้คนเห็นประสาทพรสวัสดีจเจริญศีจเจริญชนจเจริญสุขจเจริญพล จเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราชทุกข์นิราชโศนิราชโรค น, รรคนิราชภัยประสงสับกุศลใดก็จงสมประสงค์เทิญ